ในความหมายของคนเข้าใจทั่วไปว่าการปฏิบัติธรรมคือการนุ่งเขาห่มเขากันไปอยู่วัดนั่งหลับตานิ่งเป็นกลุ่มใหญ่บ้างเล็กบ้างนั่นคือการปฏิบัติธรรมที่คนทั้งหลายว่าเข้าใจแต่ข้าพเจ้าเห็นว่านั่นคงเป็นเพียงการเกิดขึ้นตามปรากฏการ เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตามเทศกาลธรรมะไม่ใช่ทั้งหมดตามความเข้าใจของข้าพเจ้าการปฏิบัติธรรมหน้าจะหมายถึงการกระทําที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดเหมาะสมทั้งหมดการนันทน่าที่อะไรก็ตามที่มันถูกต้องชอบทำทั้งหมดนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมโดยในนี้ทุกคน ผู้ทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องเหมาะสมล้วนกำลังปฏิบัติธรรมกันอยู่ทั้งนั้นแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องไปเข้าวัดการที่เรามีความฟุ้งซ่านบ่อยทำให้เรามีความก้าวเ้าวบ่อยด้วยคือเอาใจไว้ไม่อยู่ถ้าฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาบ่อยๆจะเป็นการขัดเกลาตัวเอง ให้มีนิสัยสันดานดีขึ้นสงบโปรงเมื่อเรามีปัญญายม่ได้ใสสันดานสะอาดประนีขึ้นก็จะมีความทุกข์น้อยลงจะมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ไม่เป็นไม่รู้ว่าจะเป็นทุกข์ไปทําไมทําให้เป็นคนมีบุคลิกดีไม่ละหล่ะแ ห, หละไม่มีท่าทีร้อนหนไม่ฟุ้งซ่านมองภาพรวมแล้วหน้าเลื่อมใสแจ่มใสสงบประนีเป็นสุข ทำให้ผู้เข้าใกล้พลอยเป็นสุขไปด้วยแตหลายคนจะมีความคิดเหมือนกันนะว่าการปฏิบัติธรรมคืออย่างเนี้ยคือการทำอะไรก็ได้ที่ถูกต้องตอบแบบหนึ่งตอบแบบคนไม่เข้าใจเขาจะมีความรู้สึกว่าหรือตอบแบบเอาใจคนเนะี่ะที่ถาม คือคนส่วนมากก็จะคิดว่าตัวเองไม่มีปัญหาอะไรตัวนี้ก็อยู่สุขสบายดีแล้วจำเป็นต้องไปปฏิบททัติธรรมทำไมเนี่ยคนคิดอย่างนี้กันดังนั้นแหละนะแล้วหนังสือนี่ก็จะบอกเอาไว้ด้วยว่าในเมื่อคุณไม่เจ็บใข้ได้ป่วยทาไมคุณต้องไปโรงพยาบาลอนี้นะหนังสือนี้เขียนโดยวสิณีสิสลักษณนะ คือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทําไมคุณต้องไปโรงพยาบาลคาพูดถูกนะแต่จะมีคนสักกี่คนนะ่ยที่เข้าใจว่าหรือรู้แจ้งจริงๆว่าตัวเองไม่เจ็บป่วยเนี่ยคาว่าเจ็บป่วยในพุทธศาสนาเนี่ยมีราคาโทสะโมหะอันนี้คือถ้าคุณไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทําไมคุณต้องไปโรงพยาบาลนั่นหมายถึงว่าพระลาห์หันที่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคือไม่ต้องเข้าสู่กระ บ, บวนการฝึกจิต แต่คนไหนที่ยังมีอยู่ลาคาโทรศัพทหะก็เป็นอย่างนั้นแต่นี่เขาหมายว่าดิฉันจะต้องไปปฏิบัติธรรมที่วัดไหมเขาจะถามว่าคุณเจ็บป่วยเรื่องอะไรอะทําไมคุณต้องไปโรงพยาบาลคือถ้าไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจอะทำของลึกให้เป็นของตื้นเพื่อประโยชน์ในการเข้าข้างตัวเองส่วนหนึ่งในความหมายจริงๆก็คือจิตเราเองเนี่ย ถามว่ามันยังมีราคะไหมมีโทสะไหมมีความหงุดหงิดติดอารมณ์ไหมแต่ละวันเนี่ยมันหายสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องกุศลไม่กุศลหรือมันยังมีอยู่ในใจเราเป็นทุกข์ไหมเพราะกามมาราคะเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือของมาทรทําร้ายเราได้อยู่ไหมกามโกรธ รักชังความโลภความอยากได้อะไรพวกนี้ถ้าสิ่งอย่างนี้ยังรบกวนอยู่ก็คือเราเป็นโรคเขาเรียกว่านา ม, มาโรคเป็นโรคนะเนี่ยต้องรักษาให้มันหายโรคกลัวผีโรคติดความขลังความศักดิ์สิทธิ์พวกนี้ยโรคติดรูปติดรสติดกลิ่นติดเสียงโรคโกรธเกลียดพวกนี้ยถามว่ามีไหมมันมี่ แต่คนส่วนมากก็คือเข้าข้างตัวเองว่าตัวเองไม่ได้มีนะนั่งอยู่ก็ไม่ไดเห็นมีทุกข์อะไรทําไมต้องไปฝึกจิตอะไรประมาณเนี้ยความทุกข์มันมีสองแบบหนึ่งทุกข์ที่ผัดสะในปัจจุบันสองทุกข์ที่เกิดจากการสะสมไว้ในอารมณ์ข้างในในใจเราเนี่ยมันสะสมอารมณ์เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่เราเป็นทุกข์อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือสิ่งที่มาจากอดีตส่วนหนึ่งที่เราสะสมไว้ แล้วก็ความอยากที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจในปกติในภาวะปัจจุบันอันหนึ่งมาจากความอยากมีอยากเป็นอยากได้มันสะสมมาไว้อย่างความคิดเ น, นี่ยมันก็เกิดจากความรักความชังที่เราสะสมมาความทุกข์อันนั้นน่ะเขาเรียกว่าทุกข์จากอาสวะอนุสสยทีนี้เรารู้จักมันไว้ว่าที่มันอยู่ในใจเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่สติเราอ่อน หรือมีเหตุปัจจัยเหมาะสมมันก็จะปรากฏงอกเงยขึ้นมาวูบขึ้นมาทันทีเราเคยชังคนเนี้ยเวลาเห็นหน้าเขาเป็นแต่ตอนนี้อยู่เฉยๆมันไม่เป็นนะอันเนี้ยนั่งอยู่เฉยก็ไม่เป็นนะนะอ้ะอาวเมื่อก่อนเรารู้สึกว่าเรามีอันนี้มีอันนี้มีรถมีเรือสักพักต่อไปสักหน่อยรถเราเก่าเราก็อยากได้ใหม่ เรานั่งอยอเฉย อ, อยู่คนมาแจ้งบอกว่ารถเราหายจิตเราตกทันทีเลยว้ยหายไปได้ไงใครขโมยเราคนเสียใจร้องไห้หรือบางทีความรักถามว่ามันมีไม่ในใจมีไม่รู้เราว่าคิดว่ามีไม่มีไม่รู้แหละแต่อยู่ๆคนก็มาบอกว่าแม่เราตายรถคว่ำตายพ่อเราตายเนี่ยเราทุกข์ทันทีเลยเนี่ยแสดงว่าทุกข์มันฝังใจพุทธศาสนาเนี่ยนอกจากไม่ทุกข์ในขณะปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้อง รู้ว่าไอ้ทุกข์ที่มันมีในปัจจุบันเพราะมันฝังอยู่ในอดีตต้องเอามันออกเวาคาโทสะโมหะความโลภโกรดหลงเนี่ยจะเอาอันนี้มันออกได้ยังไงเนี่ยอย่างความรักรักพ่อรักแม่เนี่ยมันเป็นทุกข์นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าไม่มีความทุกข์ที่เกิดจับไม่มีความไม่ทุกข์ ที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นเรายึดสิ่งใดเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายความคิดความหวังตัวเราของเราตัวกูของกูมันฝังอยู่ในจิตลึกๆที่เราจะเอามันออกอยังไงจากจิตเนี่ยถ้าเราเอามันออกไม่ได้มันก็ฝังอยู่ในนี้แล้วฉนั้นปฏิบัติธรรมนี่เพื่ออะไรเพื่อชำระล้างจิตเก่าเพราะถ้าสมมว่าเราลืมเรื่องนี้มั่นใจไม่ว่าในอนาคตจิต ที่ยังไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเนี่ยแต่เรารู้ว่าเราไม่ทุกขเท่าไหร่นะตอนเนี้ยไม่รู้สึกเป็นทุกข์แต่ส น, นอยมันก็นยึดอีกอย่างเขาบอกเออแม่ตายนี่ร้องไห้เลยอ่ะนะหรือบางทีตอนนี้สบายใจแต่เกิดไปรักใครสักคนเข้าปุ๊บเกิดมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเขาแก่เขาเจ็บเขาตายหรือเขาทอดทิ้งเราไปอกหักเนี่ยทุกข์ตายเนี่ยความทุกข์แบบนี้เนี่ยมันมีแล้วมันพร้อมที่จะปรากฏเกิดขึ้นการเกิดขึ้นบ่อยๆเป็นทุกข์ ความทุกข์มันเกิดบ่อบ่ะแต่เราไม่เคยเห็นเราจะเพื่อทุกข์เพราะตอนคิดมากๆแล้วไม่ใช่นั้นเขาจึงพยายามให้เราฝึกสติเพื่ออะไรทำลายอาสวะกิเลสหรือกิเลสอนุใสยที่ฝังในใจนั่นอันนึงนะความทุกข์ที่เกิดจากผัสสะทางอเยทานะนี่อันหนึ่งโอ้ยหนูไม่ค่อยคิดมากมันยังไม่เจอปัญหาเฉยๆหรอกนะอีกสมันนยปรากฏว่า ขาขาดเนี่ยผัวหนีเนี่ยทุกข์นะนะเพราะเราไม่รู้เท่าทันมันนะนั่นในกรณีบอกว่ า, วาเอา้าเราไม่ได้เจ็บแค่ได้ป่วยทำไมจะต้องไปเข้าโรงพยาบาลคือถ้าเราไม่ทุกข์ทำไมเราต้องไปวัดเนี่ยคือความหมายหนูอยากไปปฏิบัติธรรมแต่ก็ไม่มีเวลาเ้าบอกว่าแล้วคุณเป็นทุกข์เพราะอะไรแหละถ้าคุณไม่ทุกข์คุณจะไปตุลรังบาลทําไมเขาบอก ไปหาหมอทําไมจริงๆก็คือเราไปหาตัวเองนั่นแหละไม่ได้ไปหาใครแต่เราไปเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องว่าเ อ, อจะเอาความทุกนี้ออกจากใจยังไงอะคนเราเนี่ยไม่ทุกนาทีหนึ่งเนี่ยหายากนะส่วนมันมาทุกตลอดทุกเพราะความคิดเนี่ยมันคิดมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเราสลัดไม่เป็นเราทิ้งไม่เป็นแต่ไปปฏิบัติทำในความหมายธรรมะในพุทธศาสนาเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบนี้ทีเนี้ พระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะในพุทธศาสนาเนี้ยทุกเกิดจากอุปทานเกิดจากอุปทานขันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นจิตนี่นะทีนี้จะชำระล้างมันได้ยังไงอ่ะมันต้องเกิดธรรมะที่เขาเรียกว่าสวากขาตธรรมธรรมะในพุทธศาสนาเนี่เขาไม่ได้หมายถึงว่าพูดดีทำดีคิดดีอะไรนี้นะไม่ได้เกี่ยวกันนะพุทธศาสนาไม่ได้มองตรง น, นั้นเขาจะมองเป็นที่ ลักษณะคำสอนของพุทธศาสนามีเนื่องสันทิฏฐิโกต้องรู้แจ้งเองเห็นเองได้ด้วยตนเองเนี่ยเห็นแจ้งเกิดวิปัสสนาญาณเห็นแจ้งดับทุกข์ได้ที่ข้างในแล้วนะ่ะอากาลิโกก็ธรรมะที่เกิดปฏสภาวะธรรมันนั้นขึ้นแล้วเนี่ยสามารถอยู่กับเราตลอดนะ่ะไม่เลือกการเวลาเอหิปัสสิโกเป็นธรรมะที่ท้าทายมาก นะที่ควรรู้ควรเห็นอยากให้คนอื่นรู้เห็นธรรมะเนี่ยคือสัจธรรมมันเห็นแล้วจิตมันเป็นอย่างนั้นเนี่ะปัจจัดตังเป็นของรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนเห็นแจ้งใครทําก็เข้าถึงนั้นอยู่ๆเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าท่านเกิดมาท่านมีกิเลสตัณหาลัคะท่านสมองดีกว่าเราไม่หัวดีกว่าเราไม่พระพุทธเจ้าเนี่ยหัวดีกว่ า, านะ วัวดีกว่าเราภาษาพวกเหลาไรนี่หัวดีกว่าเราทําไม่เขาต้องไปฝึกจิตถามว่าเขาทุกข์เหมือนเราไหมจะพูดไปแล้วนี่ความคิดเขาน้อยกว่าเราได้ซ้ำไปนะสมัยโบราณเนี่ยสมัยพุทธกาลเนี่ยความคิดเขาน้อยกว่าเราอีกด้วยซ้าไปเขาพูดแต่เรื่องมรรคเรื่องผลเนี่ยเรื่องฌานเรื่องนี้แต่เขาก็ไปปฏิธรรมแล้วเข้าเท่าถึงตรง น, นั้นเขาเรียกว่าโลกุตระธรรมภาวะนั่นนะที่เขาไปปฏิธรรมเขไปหาอันนั้นแต่ถ้าเราปัจจุบันเนี่ย ความคิดเกิดเยอะความปรุงแต่งก็มากอะไรก็มากก็อบอกว่าเราไม่เหมือนไม่มีทุกเนี่ยไม่ใช่อ่ะเพราะพระพุทธเจ้าหัวดีจะไปปฏิบัติเพราะอะไรท่านต้องการหาสภาวะธรรมที่เรียกว่าโลกุตระธรรมต้องการสภาวะที่เกิดจากการเห็นแจ้งนะต้องการเกิดวิปัสนาญาณพระพุทธเจ้าเลยไม่ใช่วราวันนี้เราสบายใจไม่ไปปฏิบัติธรรมไม่ใช่ ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงโลกุตระมักโลกุตระผลไม่ใช่วเอาตื้นตื้นนะอืมไม่ใช่ต้หมายความว่าอ้าววันนี้ก็สบายใจอยู่ไม่คิดอะไรมากทำไมต้องไปปฏิบัติธรรมไม่ใช่ะพระในวัดนี่อาจจะคิดน้อยกวโยมอีกอาจจะไม่มีความคิดความปรุงแต่งอะไรแต่อะไรต้องการมักการผลต้องการผลต้องการสภาวะธรรมที่ยั่งยืนมั่นใจต้องการได้การประกัน ในชีวิตว่าอืพ้นทุกข์แล้วเนี่ยเนี่ยแต่ถ้าอะไรกระทบปุ๊บมันยังวูบยังวาบอยู่แสดงว่าออมันยังเป็นโรคอยู่ต้องรักษาละ่ะต้องพัฒนาละ่ะต้องให้มันเข้าถึงมรรคถึงผลตามลําดับชั้นของพุทธศาสนานะคนไหนเอาอัตตาตัวตนออกได้เอาความงมงายออกได้เอาความลังเลสสงสัยออกได้เนี่ยคนแรกในพุทธศาสนาคนแรกหมายถึงว่าบุคคลชั้นแรกกองการเข้าสู่เส้นทางธรรมเนี่ย มันมีปหนึ่งปอสองปอสามปสี่อนุบาลในพุทธศาสนาี่หมายถึงพระโสดาบันคนที่เข้าถึงสัจธรรมอันดับแรกตัวตนน้อยไม่มีอัตตาตัวตนมีการปล่อยวางได้ระดับหนึ่งเขาถึงเรียกนะว่าคนเริ่มเข้าสู่เส้นทางคนเริ่มเข้าสู่การรักษาเนี่ยแต่ถ้าเรามานั่งอยู่เฉยๆวันนี้สบายใจไม่ได้คิดอะไรมากมายไม่อยากไปปฏิบัติธรรมแล้วทาไมต้องไปมันไม่รู้จากธรรมะไอ รู้แต่ธรรมะแบบตื้นๆแต่ลึกๆเนี่ยเป็นโลกุตะละทำไม่รู้จักรู้แต่โลกิยะกิยะคือเฮ้ยคนสบายใจอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากคนคิดแบบคนโง่ๆอ่ะโง่ๆแบบชาวบ้านคือแบบนักวิชาการแบบคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรมากมายนะถ้าเขาไม่รู้เรื่องเขาก็เป็นแบบนั้นแหละติเขาไดไ้ไม่ได้เขารู้แค่นั้นนะแต่ถ้าเรา ไปวัดไปว่าไปศึกษาสัจธรรมคาสั่งสอนพระพุทธเจ้าถ้าเป็นแค่นี้ไม่จําเป็นต้องมาเกิดพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่จําเป็นต้องมาเกิดนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ารู้แค่นี้คิดเอาก็าได้นะแต่เนื่องจากว่าไม่ใช่แบบนั้นน่ะสัจธรรมการเห็นแจ้งเนี่ยถ้าเห็นแจ้งขนาดนี้แล้วก็ถือว่าพออยู่พอไปไม่ใช่นะสัจธรรมมันไม่ตื้นแบบนี้มันอยู่ลึก มันอยู่ในใจเราน่ยมันลึกลึกมันลึกพราะอะไรเพราะมันถูกทับถมไงอะไรทับถมกิเลสกิเลสไปถมใจเรากิเลสตัณหาลาขะความโกรธความเกลียดความรักความชังความเข้าใจผิดที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิพวกนี้เน่ยมันทับถมนี่ก็จะไปเปิดมันออกเอาไม่ไดมันอยู่ลึกเนี่ยกว่าจะฉีกออกได้แต่ละอันแต่ละอันเนี่ยเอาความโลภออกเอาความโกรธออกความหงุดหงิดติดอารมณ์หมองเแต่บางคนเอ้ยเอาอะไรออกมันไม่ได้มีอะไรเนี่ยใจไม่ไดมีไม่มีแต่ว่าเขาบอกว่า ธรรมะเนี่ยรู้ได้เมื่อไัยมีเราจะรู้ว่าเรามีธรรมะไม่มีธรรมะรู้ได้เมื่อไัยมีคือเกิดปัญหาขึ้นกับชีวิตเนี่ยนะะหลายคนเขาฉลาดนะเมะื่อทีเขาไปเอกซเรย์ดูก่อนนะไปอุนตสสาวไปทําตรวจสุขโอ้เห็นเป็นโรคเยอะเลยผู้รู้เขาเึืงจะบอกว่าเราเป็นโรคไม่เป็นโรคหมอเน่ะเราไปหามหมอเนี่ยหมอจะบอกให้ว่าเราเป็นโรคไม่เป็นโรค ไม่ใช่เราคิดเอาเองว่าเราไม่เป็นโรคนะเขาเรียกไปตรวจสุขภาพคนมีกล้องตรวจดูเขาจะรู้จักแล้วก็รักษาล่ะทําการรักษาถ้าไม่มีโรคโอ้ไม่มีโรคเนาะคนนี้เขาเรียกว่าวัดไงเนี่ยวัดวัดวัดวัดวั ด, วดตรวจวัดนะอย่าเรามาปฏิบัติเอาคนนี้มาปฏิบัติธรรมดูดิเอาคนนี้ดูเหมือนสุขสบายเนาะอามาปฏิบัติพอมาปฏิบัติง่วงตัง่วงเงาก็วเงาหัวสั่นหัวเสอโียโรคเยอะเนาะคนนี้โรคเยอะโรคเยอะอยู่รักษาเนี่ยอ เอาคนนี้มารักษางุดหยิดละเบื่อหน่ายละอยู่ไม่ได้คิดมากอันนั้นก็จะทำนี่โอ้คนนี้มันโรคเยอะโรคใจไหมเนี่ยต้องรักษาอันนี้คนนี้อันนั้นก็งุดยิดอันนี้ก็เบื่อหน่ายอันนี้ก็อันนั้นก็เจ็บอันนี้ก็ปวดเป็นไปหมดเลยยึดไปหมดเลยอันนั้นก็หิวอันนี้ก็อาหารก็ไม่ถูกปากที่นอนก็ไม่ดีนะไม่สะดวกสบายไม่มีแอร์ไม่มโอ้โรคเยอะจริงๆเนาะคนนี้เนะี่ะเห็นไหมเวลาวัดดูจะรู้จักว่าคุณเป็นอะไร แต่ถ้าไม่วัดดูจะรู้เหรอไม่รู้นะแค่อยากแต่งเนื้อแต่งตัวเสื้อผ้าการสะดวกสบายเนี่ยก็แทบตายแล้วะเอาผ่านไม่ออกแล้วนั้นไปวัดดูก่อนไปให้หมอเขาเช็คดูก่อนว่าเป็นยังไงบางคนไปวัดก็ไม่วัดธรรมดานนไปวัดกับหมอผีก็มีไปวัดกับหมอผีให้เขาลดน้ำมนันย่องแกงเกลยกลับมา เ, าเครื่องวัดไม่ดีเครื่องเขาเสียอันนั้นนะเครื่องเขาเสีย มาทีหมอก็เป็นนี่เนี่ยมาทีหมอก็เป็นกลายเป็นหมอผีก็มีไม่ใช่หมอแท้นะอืมขนาดเครื่องวัดบางเครื่องวัดก็ไม่ดีเราก็ไปเครื่องวัดบางวัดเครื่องก็เอ้ยได้เยาอยู่ก็มีนี่มันไม่ดีขึ้นก็มีอ่ะนั่นต้องศึกษาสัจธรรมเรียนรู้ให้มันเข้าใจนะถ้าเข้าใจได้โอ้เราวัดตัวเองดูแล้วหลายๆคนไปวัดทําไมมึงก็ดีอยู่ บอกเขาว่าคุณไม่ใช่หมอที่จะมาวัดผมนะคุณไม่ใช่หมอที่จะมาตรวจอาการคุณมีความรู้แค่ไหนเนะีนะ่ยวัดตูตัวเองเป็นไม่เห็นไหมความโลภกดหลงเนี่ยความมุนิดแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่หมอคือไม่เข้าใจชีวิตนะฉะั้นเราไปหาหมอวัดที่ไหนก็ได้ที่มีคุณภาพนะงโรงพยาบาลที่ไหนในประเทศไทยเนี่ยที่มันดีเราก็ไปแหละนะ มันเป็นโรคใจมไม่ใช่โรค ก, กายถ้าโรค ก, กายนี่นก็ดูง่ายแต่โรคจิตดูยากบางทีมาลองดูดิเอา้าคุณมีความอดทนไหมปกติไหมดูสถานการณ์นี่เขาบอกเออสถานการณ์ตัวนี้เอา้าลองอดข้าวดูดิมือเช้าไม่กินกินมือเพลินเอา้ามือเพลยนไม่กินกินมือเช้าเอา้าไม่กินสองวันลองดูดิเริ่มงุนหิตละงุนหิตแต่กายได้ไหมไม่ได้จิตคิดมากละอ้างเหยด้างพ้นเป็นโอยตาย จิตเป็นอนัตตาไม่ได้ตัวตนมันเยอะความทุกข์มันก็มากอ่ะนั้นชีวิตนี่มันจำเป็นมากที่จะต้องปฏิบัติธรรมสรุปแล้วเนี่ยจำเป็นมากที่ต้องไปโรงพยาบาลจำเป็นมากที่ต้องไปหาหมอหาพยาบาลดูแลรักษาเราสุขภาพเราเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อการรักษาตัวเองให้หายเสียก่อนตายไม่ใช่ตายเสียก่อนตายให้หายเสียก่อนตายมันหายก่อนมั่สบายเย่ย พอมันหายปุ๊บเราจะเดินเข้าไปในท่ามกลางปัญหาก็เข้าไปง่ายแต่ถ้าเรายังมีปัญหาอยู่เรายังห่วงนั่นจิตนี่อยู่เวลาตายเนี่ยมันก็ไปไม่ได้และเดินไปสู่ความตายเดินไปไม่ได้เพราะเราคิดเยอะไงตัณหาอุปาทานเราเยอะมันต้องรักษาให้มันหายก่อนเนี่ยจะไปทำงานเนี่ยถ้าเป็นโรคอยู่ไปได้ไ้ยไม่ได้เขาต้องหายษาโรคโรคที่ไม่ควรไปทางานหนึ่งสองสามไม่รับอันนี้ สองสามี่ห้าหกเจ็ดเขาจะประบุมาเหมือนกันน่ะเราจะกําลังเดินทางไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายสู่ทระหน้าที่การงานถามว่าไหวไหมเรารักษาตัวเองเนี่ยจิตเราน่ะถ้าไม่ไหวเข้าไปสู่กระบวนการกับทุกข์แล้วมันเป็นทุกข์ทันทีอ่ะมันอึดาดมันขัดเครื่องมันกระวนกบายน่าไม่สบายกายไม่สำครับแค้นทันทีอ่ะจิตมันขึ้นมาทันทีนั้นคนหลงโลกเนี่ยจะไม่มีโอกาสรู้แจ้งสัจธรรมอ่ะ หรือธรรมะที่อ่านเอาเนี่ยยากที่จะเข้าใจเพราะมันไม่มีมรรคผลเกิดขึ้นมันก็จะมองว่าโลกิยะกับโลคุตระเป็นนเดียวกันเพลเผลไม่คิดว่าตัวเองเป็นโรคเลยซ้าไปเรากำลังบอกให้คนที่ไม่มีดวงตานะบอกว่าเอา้าคุณก็รู้เนี่ยว่าคุณไม่ได้เป็นอะไรอะทำไมคุณต้องไปวัดคุณไปวัดทำไมก็ไม่เห็นคุณเป็นอะไรเนี่ยแน่นะไปบอกให้คนผ่านดูตัวเองเขาก็ดูไม่ออกแล้ว มันต้องไปหาปัญญาก่อนเครื่องวัดเครื่องเอ็กซเร่เรเรียกว่าธรรมทาโศนะอุปกรณ์ฉายรังสีดูตัวเองเพอเห็นปุ๊บโอ้ปรากฏว่าไม่มีทุกข์ละไม่ว่าทุกขระดับไหนได้แล้วสบายละมันก็ไม่ทุกข์เด็กก็อยู่ได้ไปได้เอาอนุโมทนานะ